พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้มีดมีด้าสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักีใช้ด้ามมีดชนิดต่างๆคือทำด้วยทองทำด้วยเงินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลนทนาว่า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 ไม่พึงใช้ด้ามมีดชนิดต่างๆรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ด้ามมีดทำด้วยกระดูกงาเขาสัตว์ไม้ อ, อ้อไม้ไผ่ไม้ธรรมดาเครื่องมเมล็ดผลไม้โลหะกระดองสัง